สองสมัิที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนะสัจธรรมของชีวิตนะในอีกด้านหนึ่งนะชีวิตนั้นก็คืออุบัติขึ้นเมื่อมีการเกิดเกิดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายอันนี้มันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปแต่ว่า ในสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะสังคมเมืองความว่าความตายมันก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความรับรู้หรือว่าสายตาของผู้คนเพราะเวลาคนตายก็อันนี้ก็ตายที่โรงพยาบาลแล้วก็ศพก็ไปตั้งที่วัดวัดนี่มันก็เป็นที่ที่ห่างไกลจากจากบ้านอยู่แล้วมันเหมือนกับอยู่ชายขอบในความรับรู้ของชาวบ้าน คนในเมืองก็ไปว่าเฉพาะงานศพไปงานศพก็ไม่ได้เห็นอะไรมากเพราะว่าสังสรรสนุสนานกันถึงเวลาเผานะนะก็มีการเผากันอย่างมิชิตคนก็เลยรู้สึกว่าความตาย เ, เป็นเรื่องที่เหินห่างยิ่งใจของผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะนึกถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถึงแม้จะไปงานศพมันก็แค่รับรู้นิดๆหน่อยๆแแล้วพอกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมๆสู่การงานสู่ความสนุกสนานเพลิดเพลินความบันเทิงก็ลืมไปลืมว่าความตายสวันหนึ่งจะเกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคน แต่ว่างานศพของที่นี่นี่มั น, มนแตกต่างจากในเมืองมากถึงแม้ว่างานศพนี้ก็จะมีการมีทิพลคนในเมืองเข้ามาเยอะแล้วคนชาวบ้านเขาก็เวลามีงานศพเขาก็ตั้งศพไว้ในบ้านไม่ได้ตั้งศพไว้ที่วัดคนก็มามาเป็นมาเป็นเพื่อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็มา ก็ได้เห็นศพที่ตั้งอยู่นี่ยังดีนะก็คือว่ามันมีการประดับประดาศพหรือแม้กระทั่งเอาศพไปไว้ในโลงแล้วเอาโลงใส่ไว้ในโลงเย็นอันนี้ก็เรียกว่าพิเศษหรือว่าเป็นพัฒนาการใหม่สมัยก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าเป็นครอบครัวที่ยากจน เขาก็จะไม่ไม่ซื้อโรงสาเร็จรูปมาเขาก็จะเอาฝาบ้านนี่แหละมาต่อเป็นโรงมันก็ไม่มิดชิดนะนะมันก็มีช่องมีรนะูก็มาตั้งไว้ในบ้านฝาโรงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากบางทีก็ใช้กระดาษนะใช้กระดาษมาบุพอที่จะได้ปิดฝาจะได้ปิด ปิดล่องปิดลูเอากระดาเนี่มาปะปะปะปะก็ทํากันอย่างนั้นแหละลงก็ไม่ได้มิดชิดอะไรมากะคนก็มามางานพระที่มาสวยก็เออก็ได้ก็ได้เห็นนะว่าคนเราพอตายแล้วมันก็เท่านี้แหละไม่ได้มีการประดับประดาลงด้วยดอกไม้หรือว่าเอาลงมาซุกไว้ซ่อนไว้ใน ในโรงเย็นนี่ยังดีสมัยก่อนท่านอาวุธเนี่ยซึ่งมาเริ่มมาบุกเบิกที่นี่ในระยะที่สองคือมาที่มาที่นี่ประมาณปีสองแปลก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ท่านมาใหม่ๆนี่ชาวบ้านแม้แต่เวลาเผาเก็เผาศพ ก, ก็ไม่ไม่มีโรงด้วยซ้ำเรียกว่าเผากันสดๆเลยเชิงตะกอนก็ไม่มีนะ ก็ทุลักทุเลพอสมควรแต่ก็ได้ได้เป็นบทเรียนนะในการพิจารณาธรรมสอนธรรมได้เยอะชาวบ้านเขาก็นี่เป็นเปรีเพ น, น, น, นีเนะเขาก็ได้ใกล้ชิดนะได้เห็นความตายหรือสิ่งที่เรียกว่าความตายตั้งศพที่บ้านสวดที่บ้านถึงเวลาก็เคลื่อนย้ายศพไป ไปที่ปั ช, ช้าหรือว่าเชิงตะกรก็ได้เห็นนะก่อนจะเผาก็เปิดฝาโลงนะเพื่อที่จะเอาน้ำมาพร้าวมารถหน้าผู้ตายอย่างที่เราสังเกตเมื่อวานนี้ก็ชาวคนก็ไปมุงดูกันถ้าเป็นถ้าเป็นศพที่คนไม่มากบางที พ่อแม่ก็อุ้มลูกไปดูหน้าศพเด็กก็ได้เห็นด้วยบางทีเด็ก7จ็แปดขวบก็ไปมุงดูก็ได้เห็นนะว่าความตายเป็นอย่างนี้แหละเด็กที่เกิดมาในวัฒนธรรมแบบนี้เขาจะคุ้นเคยความตายก็จะรู้สึกว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่า ปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีคนตายอย่างน้อยก็หนึ่งคนบางปีก็สี่คนนะเคยมีปีหนึ่งถี่มากแม้กทั่งปีที่แล้วนี้ก็สามสามคนก็ได้เห็นได้ใกล้ชิดนะความตายหรือคนที่ตายอันนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตนะที่ทาให คนชนบทเนี่ยหรือชาวบ้านนี่เขาอยอมรับเรื่องความตายได้ง่ายได้มากขึ้นอันนี้มันตายจากคนในเมืองนะคนในเมืองนี่รู้สึกอย่างที่บอกเผินห่าจากความตายมากแล้กระทังคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนในบ้านนะก็กว่าจะตายก็ ใช้เวลานานเพราะเดวนี้เป็นเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวครอบครัวเดี่ยวมีพ่อแม่แล้วก็ลูกกว่าลูกจะพบเห็นความตายนคนในบ้านก็ต่อเมื่อพ่ออายุเจ็ดสิบแปดสิบหรือเก้าสิบแล้วบางคนอายุสี่สิบก็บอกยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนตายเลยไม่เคยเห็นคนตาย หมายถึงคนที่หรือสอที่สอบเป็นๆ น, นะนะสดจริงๆอะ่ะไม่เห็นอายุสนะี่สิบแล้วเพราะว่าครอบครัวมันครอบครัวเล็กแล้วคนก็อายุยืนกันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะชาวบ้านนี่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยายที่จริงมันไม่ใช่เป็นครอบครัวในบ้านในในบ้านเรือนเท่านั้นมันขยายไปทั้งหมู่บ้านเลย คนในหมู่บ้านก็เป็นเครือญาติกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครอบครัวของครูบุญโยงนี่ก็เพื่อญาตินี่เฉพาะในหมู่บ้านนี่ก็หลายสิบแล้วแล้ว เ, เวลามีใครตายสักคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นคนไกลมันก็เป็นคนก็เป็นเครือญาติกันเคยวิ่งเล่นไปกินข้าวในบ้านแรือบางทีก็ไปนอนในบ้าน นั่นเขาจะรู้สึกว่าความตายที่เกิดขึ้นเป็นความตายคนใกล้แต่ว่าการที่จะเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆก็ทําให้ยอมรับได้บางคนในเมืองเนื่องจากไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นคนตายไม่ค่อยได้อได้เห็นศพ บ, นะบางทีก็ลืมไปเลยนะว่าสวรดาห์นหนึ่งก็ต้องตายสวปดาห์นหนึ่งก็ต้องมีความสูญเสียหรือว่าสวปดา์นหนึ่งก็ ต้องกลายเป็นศพไปมันอาจจะรู้ด้วยความคิดแต่มันไม่ได้รู้ด้วยใจเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักสามสิบกว่ า, วาหรือว่าสี่สิบเกือบสี่สิบแล้วไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนความปฐมเพื่อนก็เพื่อนที่เป็นพยาบาลก็พาชวนไปไปเที่ยวที่หอพักไปพักที่หอพัก ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลระหว่างทางก็เดินผ่านอาคารที่เขาใช้พักศพนะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายกับภูมิลำเนาญาติๆก็มารับศพระหว่างที่เดินผ่านก็มีการเคลื่อนศพศพก็ก็นอนอยู่บนเปลนะมันอยู่บนเปลรถเข็นนะน่ะ พอเขาเดินผ่านเขาเห็นก็ตกใจว่านี่อะไรเพื่อนนี่นเพียบปากวันนี้ศพคนตาย เ, ออาเขาอุทายขึ้นไปเลยว่าตายจริงๆก็มีด้วยหลือที่ผู้ชนะในข้อเขาเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นคนทําละครคนทําละครคนทนาําโฆษณาในความตายที่เขารู้จักก็เป็นความตายที่ของตัวละคร คือพอตายเสร็จก็ฟื้นขึ้นมาได้เพราะมันเป็นแค่ละครมันเป็นแค่การสม บ, บูรณ์แบบมันก็น่าแปลกที่คนอาย40ุ40แล้วก็พูดขึ้นมาว่าตายจริงๆก็มีด้วยหรืออันนี้ไม่ใช่เราเขาไม่รู้วความตายมันมันเกิดขึ้นกับทุกคนเขารู้แต่มันรู้ด้วยด้วยสมองแต่ใจมันยังไม่ได้รับรู้ด้วยเพราะว่าไม่ได้คุ้นเคยต่อความตาย คำโบราแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็คงจะเกิดขึ้นกับคนในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาอยู่กันแบบลืมตายดยู่แบบลืมตายลืมไปว่าตัวเองต้องตายแล้วก็ลืมไปว่าคนรักของตัวก็จะต้องตายเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่จะเป็นลูกทําไมถึงลืมตายก็เพราะไม่ค่อยได้ได้เจอคนตายไม่ค่อยได้เจอความตายในชีวิตของตัว เกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตนะ 30, 40, ิ0ี่้าไม่เคยเห็นคนตายเพราะเดี๋ยวนี้ไปตายที่โรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่ก็ตายห้อง ICU ก็เป็นที่คนคนค่อนข้างจำกัดในการที่จะรับรู้จากห้อง ICU ก็เข้าวัดไปเลยเข้าวัดก็มันก็อย่างที่เรารู้นะมันมันก็มีการเคลือบการคลุมการ การสร้างระยะห่างระหว่างศพกับคนคนเป็นจนกระทั่งเผาแต่ว่าในวัฒนธรรมของชาวบ้านนี้ศพกับคนเป็นนมันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในอย่างที่เราเห็นในงานศพนของครูบุญยมันก็เริ่มมีระยะห่างมากขึ้นระหว่างศพกับคนเป็น แต่ว่าพอมาถึงเชิงตะกอนแล้วมันระยะห่างก็หมดไปก็ได้ใกล้ชิดได้เห็นได้เห็นแม้กระทั่งนะเวลาที่เผาศพนะพอไม้มันลงมันไหม้หมดแล้วก็เห็นเลยนะเห็นล่างคนตายกำลังถูกไฟเผาผลาญมันก็เตือนใจสอนใจได้ดีว่าชื่อสุลทรคดลังก็แค่นี้แหละแล้วก็ได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วนี่ อย่างที่พุทธเจ้าตรัสนะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจเนี่ยอยู่ในกองไฟมันก็ต้องร้อนต้องดิ้นหลนแลแต่ว่าพอไรจิตใจแนละ้วไม่มีจิตมาครองร่างนั้นก็เป็นเสมือนค่ายๆกับวัตถุถูกไฟเผาผ่านยังไงก็นิ่งนะไม่ร้อน ไม่แสดงอาการว่าเจ็บปวดหรือมีเวทนาจริงๆร่างกายก็ไม่มีเวทนาไม่มีความเจ็บปวดอยู่แล้วไอ้ความเจ็บปวดนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งของเป็นตัวหนึ่งอย่างที่พระเจ้าแยกออกมาว่าเนี่ยรูปก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งเวทนามันก็ไม่ได้อยู่ประจํารูปนมันเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าพูดแบบสัมผัสมัยมาคือว่ามันก็ต้องมี สในการรับรู้ความเจ็บปวดแต่ถึงแม้สมองยังดีงแม้มีสมองมีมีการรับรู้ระบบด้วยระบบประสาทแต่ว่าถ้าใจมันไม่ได้อยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่มีอาการแรงสิ้นพอใจแยกออกมาจากรูปนี่แม้มสมองดูเหมือนว่าจะ ย, ยังทำงานอยู่แต่ว่ามันก็ไม่รับรู้อะไรเจ็บปวดก็นิ่งพอตายไปแล้วใจ ไม่อยู่แล้วมันก็ร่างกายก็ไม่รับรู้ความเจ็บความปวดแทนสินก็เหมือนก้อนวัตถุแล้วก็ชวนให้สังเวชด้วยก็ได้อย่างที่ผู้จ้าได้ตัดไว้กับสอนพระติสสะเถระก่อนจะตายเขาที่อาพาธหนักวะเนี่ยร่างกายนี้ไม่เที่ยงหน อ, อาจีรังวตยังกรโยเนี่ยเมื่อปราศจากวิญญาณถูกคนทอดทิ้งนะมันก็นอนทับซึ่งแผ่นดิน เหมือนท่อนมาหาประโยชน์ไม่ได้เหมือนท่อนมาเหมือนท่อนสุงมนะไม่รับรู้ไม่รู้ร้วรุ่นหนาวไม่ว่าจะรวยหรือจนนะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็มันก็มาถึงตรงนี้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะมีการตกแต่งปรุงแต่งให้มันสวยงามแค่ไหนแต่นั่นก็เป็นแค่เปลือกนอกแต่ความจริงหรือว่าตัวสาระมก็เหมือนกันหมด จะเอาลงใส่ไว้ในไว้ในเมเถาวในเมงไม่มีใครเห็นแต่ข้างในเมณก็เหมือนแบบนี้แหลนะนอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าปรงสลีละเนี่ยที่ทาให้สังขารสลายหายไปต่ที่จริงสังขารหรือร่างกายก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่เปลี่ยนสภาพถ้าถ้าฝังดินมันก็มันก็กลายเป็นเนะย กลายเป็นแร่ธาตุต่างๆกลับคืนสู่ธรรมชาติจะเป็นคาร์บอนโพแทสเซียมเหล็กหรือว่าแมกนีเซียมนแคลเซียมมันก็คืนสู่ธรรมชาติหมดได้สารต่างๆนี้ก็กลับคืนมากลายเป็นต้นไม้เปลี่ยนรูปกลายเป็นต้นไม้จากต้นไม้ก็กลายเป็นผลไม้แต่ถ้าเผามก็ มันก็กลายเป็นคาร์บอนกันไปซะเยอะลอยอยู่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ได้หายไปไหนนะศพไม่ได้หายไปไหนสรีละก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพไปแล้วก็ไอ้สิ่งที่เปลี่ยนสภาพไปหรือสภาพใหม่นี่มันก็ไม่ได้คงที่นะมันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะ พอถ้าเกิดฝังดินก็กลายเป็นแร่ธาตุต่างๆคืนสู่ดินก็กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยก็กลายเป็นต้นไม้ต้นไม้กลายเป็นดอกไม้กลายเป็นผลไม้ไอ้ดอกไม้ผลไม้ในส่วก็เข้าไปไหนก็เข้าไปในร่างกายของเรานะีร่างกายของเรานะีมันแร่ธาตุต่างๆก็มาจากอาหารนะีผลไม้ผักเนะี่ยรวมทั้งเนื้อสัตว์ไนอะ้เนื้อสัตว์ นะผลไม้อาหารทั้งหลายนี่แร่ธาตุมาจากนก็มาจากดินในะแร่ธาตุที่อยู่ในดินนี่ส่วนหนึ่งมันก็มาจากซากพืชซากสัตว์หรือซากศพนะสัตว์บ้างคนบ้างอันนี้ก็คือความหมุนเวียนของของสารต่างๆในธรรมชาติ ขุย่างนี่ยคือว่าสมนี่มันก็มีการรีไซเคิลนะสรีระนะที่เรียกว่าสมมันก็รีไซเคิลไม่จบไม่สิน้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจก็รีไซเคิลนะใจหรือบิน ญ, ญาณก็รีไซเคิลไปเรื่อยๆก็าเรียกเปี่ยนเกิดเปียนตายอันนี้ก็เป็นรีไซเคิลแบบหนึ่งนะมุนวนอยู่ในวัดตัดสงสารตัดใดที่ยังไม่ยังไม่ ยังไม่นิพานมันก็ยังเวียนเกิดเวียนตายเรื่องหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดรีไซเคิลรีไซเคิลก็แปลว่าไม่ใช่ของเดิมที่คงตัวแต่มันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆบางทีเราก็ไปเข้าใจว่าวิาวญญาณก็มันวิญญาณของใครก็คนนั้นก็ของคนนั้นคงที่ไปเรื่อยๆเพียงแต่เปลี่ย น, บบยนรูปเปลี่ยนร่างคองร่างใหม่เหมือนกับเปลี่ยนบ้าน ใจจริ ง, งวิญญาณวิริยะเคลนตลอดเวลาแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนตายไปแล้วนะแม้กระั้งขณะนี้ก็มีการเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนถ้าจะพูดไปแล้วนะั้นในในอย่าง ในความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยคนเราก็ไม่ใช่แค่เกิดครั้งเดียวนะคนเราเกิดหลายครั้งเกิดครั้งแรกนี่มันเป็นการเกิดจากท้องแม่สมัยนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแจ้งเกิดแจ้งเกิดที่ไหนแจ้งเกิดที่อำเภอแต่เดีนี้เราก็รู้กันนะว่าคนเรานี่มันไม่ได้แจ้งเกิดครั้งเดียวนะมันมีการแจ้งเกิดหลังจากนั้นนี่อย่างที่เราดาลราเนี่ก็แจ้งเกิดนะ นักฟุตบอลเนี่ยซิโก้ก็แจ้งเกิดหรือว่าเมสซี่เจก็แจ้งเกิดงานแข่งฟุตบอลชิงชันไ อ, อ้ซูซูกิคัพเนี่ยเดี๋ยวนี้คาว่าแจ้งเกิดนี่เราก็รู้นะว่าไม่ใช่แค่คนเราไม่ได้แจ้งเกิดครั้งเดียวคนเราแจ้งเกิดหลายครั้งนะแจ้งเกิดครั้งแรกมันก็เป็นการเป็นไปแจ้งเกิดที่อำเภอเพราะว่ามีการเกิดในทาง เกิดจากท้องแม่เกิดมาเป็นเกิดมามีร่างกายแบบนี้แต่เกิดหลังจากนั้นนี่มันเป็นการเกิดนะทางสภาวะใหม่นีอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าชาตินะชาติชาติแปลว่าเกิดนะแต่ว่าเกิดมันไม่ได้เกิดจากท้องแม่เท่านั้นนะมันมีการเกิดทางใจหรือทางเกิดเกิดใหม่ทางสภาวะสภาวะนี่ ภาษาบีก็ใช้ว่าพบนะพบภาวะเมื่อมีภาวะใหม่เกิดขึ้นนั่นก็เรียกพบใหม่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วเมื่อรู้สึกสํานึกหรือสําคัญบ้านหมายว่าเนี่ยโอ้ฉันเป็นนั่นเป็นนี่นั่นก็เรียกว่าชาตินะ้วนั่นคนเรานี่เกิดมีการเกิดนะในทางจิตใจหรือว่ามีการเกิดในทางสภาวะหมายนี่หลายครั้งมา อทีภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าใช้ว่าแจ้งเกิดแจ้งเกิดมันก็บอกได้อยู่แล้วนะว่าคนเราเกิดได้หลายครั้งแล้วแต่และคนก็หาวิธีแจ้งเกิดไม่เหมือนกันบางคนก็อาศัยความสามารถหรือบางคนก็ต้องหาโอกาสไปสมัครเป็นนักร้องสมัครเป็นแข่งขันในรายการ The Voice เ แฟนตาซีอคาเดมี่แฟนตาซีนะถ้าชนะก็เรียกว่าได้แจ้งเกิดหรือถึงแม้ไม่ชนะแต่ว่าได้ถ่ายทอดก็เริ่มมีการแจ้งเกิดนะอันนี้เขาไม่ได้เกิดจากท้องแม่แต่เาหรือไม่ได้เกิดทางกายภาพแต่เป็นการเกิดทางสภาวะนะคือได้เป็นดาราจากบางคนที่เป็นช่างบางคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟบางคนที่เป็น พนังกงานบัญชีตอนนี้ก็แจ้งเกิดเป็นดาราอันนี้เรียกว่ามีพบใหม่มีชีวิตใหม่นละการเกิดเป็นดาราการเกิดเป็นนักฟุตบอลแข่งทองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเกิดในปฏิจัติสมุปบาทเนี่ยนะมันจะมีคำว่าตัณหาอุปทานพบชาตินะไอ้พบชาตินี่แหละนะมันไม่ได้แปลว่าเกิดทางร่างกายเลยแต่เป็นการเกิดทางสภาวะ หรือเกิดทางจิตใจก็ได้เช่นเวลาเราอารมณ์ดีนะก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันนะเกิดเป็นเทวดาแต่เวลาเราโกรธนะรุนเฉียวนี่ก็ก็จะเป็นอสุรกายได้ก็เป็นการเกิดนะั่นเอเป็นการเกิดทางใจที่จริงคำว่าเป็นผู้โกรธผู้ดีใจนะอันนี้ก็เป็นเกิดได้เหมือนกัน เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยถ้าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีการเกิดขึ้นมาเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้ดีใจเห็นความโลภไม่เป็นผู้โลภนี่ก็เลยถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็ไม่มีการเกิดหรือว่ายังอยู่ในความเกิดแบบเดิมๆอยู่อันนี้ก็เป็นความเป็นการเกิดที่เราต้องรู้จักนะแล้วเพราะนั้นเราก็จะพบว่เรา วันหนึ่งเนี่ยเราเกิดได้หลายครั้งหรือว่าในชีวนหนึ่งเราก็เกิดได้หลายครั้งนะแจ้งเกิดและอย่างที่บอกคนเรานี่มันก็ปรารถนาการการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่นะอย่างน้อยก็เกิดในความหมายที่ว่ามีคนรับรู้มีคนรู้จักอยู่ในสายตาของผู้คนคนบางคนแม้ว่าจะเกิดมาอายุสามสิบแต่ถ้าเกิดว่า เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้คนนะเขาก็เหมือนตายนะอย่างเพราะนั้นก็ต้องพยายามหาทางที่ทําให้แจ้งเกิดให้ได้อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยฆาตากรที่ฆ่าจอนเลนนอนเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีการแจ้งเกิดของเขานะฆ่าคนดังก็ได้แจ้งเกิดเลยคนก็รู้จักคนก็รับรู้ว่ามีเขาอยู่ในโลกนี้ มีคนชื่อนายแชปแมนอยู่ในโลกนี้เขาก็พอใจนะว่าตอนนี้เขาได้เป็นเขาได้แจ้งเกิดเป็นซนะัมบอดี้แล้วที่ผ่านมาเป็นโนบอดี้ไม่มีใครรู้จักเขาหรือไม่มีใครเห็นเขาอยู่ในสายตาแต่ตอนนี้เขาอยู่ในสายตาของผู้คนทั้งโลกนะมันก็เรียกว่าเป็นที่พอใจของอัตตากินเล่ถ้าในทางพระ เรียกว่านิวแจ้งเกิดแล้วนะรู้สึกว่าได้เกิดแล้วแต่เป็นการเกิดในสายตาของผู้คนที่จริงคนเรานี่ไม่ต้องไม่ต้องรอแจ้งเกิดในสายตาของผู้คนนะปะนัญหาผู้คนทุกวันนี้คือตรงนี้แหละคือมันอยากจะเป็นซัมบอดี้ในสายตาของผู้คนไม่สามารถที่จะเป็นคนธรรมดาได้ หรือไม่สามารถที่จะยอมรับการเป็นโนบอดี้ได้เพราะนั้นไม่ใช่วิสัยของอัตตาตัวตนมันไม่ใช่วิสัยของของของของใจนะที่มันปรารถนาการเป็นอมตะหรือปรารถนาการที่จะมีตัวกูเป็นตัวเป็นตนจริงๆแต่จริงแล้วนี่ ชาวพูดเรานี่จุดหมายสูงสุดคือการเป็นโนบอดี้นะไม่ใช่เป็นในทางโลกเนี่ยจุดหมายผู้คนใหญ่เป็นซัมบอดี้นะถ้าได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ได้ก็ต้องอาศัยวิธีที่ชั่วนะไปตีกันไปขโมยไปฆ่าเขาไ้มีฆาตกรฆ่าข่มขืนคนหนึ่งที่มันฆ่าคนไปเจ็แปดคนเนี่ยเขาเรียกฆาตกรต่อเนื่อง ก็บอกกันนะว่าที่มันฆ่าเพื่อมันจะได้เป็นที่รู้จักยังต่อว่าตํารวจด้วยว่าไมถึงเพิ่งมาจับตอนนี้ทําไมต้องให้เขาฆ่าหลายคนกว่าจะเป็นที่รู้จักของผู้คนต่อว่าตํำรวจ น, นี่เป็นวิธีการที่เดี๋ยวนี้คนก็ใช้กันเยอะนะเพื่อเป็นซัมบอดี้การฝากความป่าถานที่เป็นซัมบอดี้นี่บางทีมั น, ม, นมันสร้างความทุกข์ใจแล้วก็สร้างความทุ่นแก่ผู้คนด้วย คนธรรมดาก็อาจจะไม่ถึงกับใช้วิธีการฆ่าหรือว่าใช้วิธีชั่วลายนะแต่ก็ใช้วิธีเรียกร้องความสนใจนะพยายามเรียกร้องความสนใจจากผู้คนพยายามอยากจะให้คนนี้รู้จักฉันนะอยากจะให้คนนี้เขามองฉันอะไราเงี้ยนะวัยรุ่นก็เป็นกันมากนะการแต่งตัวการทาเสื้อผ้านหน้าผมนะก็เพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนจะได้รู้สึกเป็นซัมบอดี้ท่านั้นที่ก็เป็นซัมบอดี้ของ หลายคนอยู่แล้วนะเป็นซัมบอดี้ของพ่อแม่เป็นซัมบอดี้ของพี่น้องของเพื่อนแต่เขาไม่พอใจอยากเป็นมากกว่า น, นั้นแต่ว่าในแง่ชาวพุทธนี่จุดหมายสุดคือกับเป็นโนบอดี้นะคือมันไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะที่หลงงวงพ่อเฉยบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยเนี่ยความหมายมนี้ก็คือว่าไม่ไม่ไม่ยึดเอาอาการของกายและใจเนี่ยเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นของเราที่ความหมายก็คือการที่ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นคนไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นแระเล้งสิ้นเพราะถ้ายังมีความสําคัญม่หมายเป็นก็ยังเป็นมันก็ยังทุกข์อยู่นะเพราะว่าถ้ามีภพชาติแล้วก็ต้องมันก็ต้องมีชรามรันะถ้าเป็นคนเก่งสักวันหนึ่งก็รู้สึกว่าความเป็นคนเก่งถูกคุกคามหรือว่าสูญเสียความเป็นคนเก่งไป คนเป็นดาราเนี่ยคนเป็นนางแบบเนี่ยมันเป็นทุกข์มานะเพราะว่ากลัว่าสักวันหนึ่งจะจะพ้นจากความเป็นนางแบบจะไม่ได้เป็นนางแบบจะไม่ได้เป็นดาราเพราะว่ามีคนใหม่มาแทนที่หรือว่าร่างกายเหี่ยวเฉาก็หมดสภาพนักฟุตบอลก็ถูกเคาะถูกคุกคามด้วยความรู้สึกหวั่นวิตกว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องถูกเคี่ยวถูกโลกออกไปอันนี้ก็เรียกชะรามรณะ มันมีความวันวายไว้ต้องสูญเสียหรือสิ้นสุดภาวะที่พึงปรารถนาหรือที่เป็นและเมื่อชรามารณนะเกิดขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดทุกขโทมนัตร่างกายเป็นสมบอดี้นี่มันยังไงก็ทุกนะทุกว่าสักวันหนึ่งจะต้องกลายเป็นโนบอดี้แต่ว่าถ้าเรายอมรับว่ายอมรับในความเป็นโนบอดี้ตั้งแต่แรกนะก็คือยอมรับมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกให้ตัวกูเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ยอมรับการเป็นโนบอดี้แล้วก็ยอมรับว่าว่ามันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกก็เป็นสุขได้เหมือนกันที่พูดกันเมื่อวันวันปีใหม่นะที่มีการอวยพรนะว่าขอให้ไร้โชคนะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ ย, ยหมดเนื้อหมดตัวคือการเข้าถึงภาวะที่เป็นโนบอดี้ก็ยังรับรู้อยู่ว่าชื่ออะไรทำอาชีพอะไรแต่ว่า ให้ความสําคัญมาหมายเป็นโตัวกล ม, มันไม่มีแล้วยิ้มรับพอเป็นโนบอดีมีความสุขนะมีความสุขใจมันโปร่งเบาสงบเย็นแล้วพอเป็นโนบอดีแล้วมันก็เกิดภาะวะที่ไม่ผุดไม่เกิดแล้วนะไม่ผุดไม่เกิดคือไม่ไ ม, ม่เกิดไม่มีความสําคัญมาหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปหรือไม่มีการแจ้งเกิดนะทางโลกยังมีการแจ้งเกิดอยู่นะแต่ว่า แต่ว่าในใจนี่มันไม่มีความรู้สึกว่ามีการเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วมันจบเท่านั้นอันนี้เป็นยอดปรารถนานของของชาวพุทธแต่ถ้าว่านับถือพุทธแล้วยังยังอย่างจะเป็นซัมบอดี้อยู่ก็แสดงว่ายังยังเข้าไม่ถึงนะหัวใจของความเป็นพุทธมันยังยังเพลิดเพลินพอใจนะในในในโลกธรรมอยู่ ลาบยศสรรเสริญสุขนะก็ทำให้ใหญ่เป็น s o m บ b ดี y ยังถือในการครอบ ง, งำของอัตตาตัวตนที่มันปรารถนาความเป็นใหญ่ปรารถนาความเด่นความดังหรือว่าความสําคัญตนนะว่าเป็นคนสําคัญนะถ้าสําคัญตัวว่าตัวเป็นคนสําคัญนี่ก็ยังต้องทุกอยู่นะจนกว่าจะ อย่างน้อยก็มาถึงขั้นที่ว่าสำคัญตัวไม่สำคัญเนี่ยมันถึงค่อยความรุ่มร้อนในใจก็ค่อยลดลงแต่ว่าถ้ายัางยอมรับว่าตัวไม่สำคัญไม่ได้นี่ยัยง้วมรับความเป็นโนอดี้ไม่ได้มันก็จะทุกข์ร้อนอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องหาต้องหาแฟนต้องหาหาคนรักเพราะว่าเพื่อให้เขายอมรับว่า ฉันเป็นคนสําคัญอย่างที่บอกลังปองคนก็ก็รู้นะว่าไอ้ผู้ชายคนนี่มันไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังอยากมีเขาเป็นแฟนเพราะว่ามีเขาเป็นแฟนก็ทําให้รู้สึกว่าอย่างน้อยหนหนึ่งไม่เหงาสองได้รู้สึกว่าฉันเป็นคนสําคัญในสายตาของเขาดังนั้นก็พยายามที่จะพยายามที่จะพยายามที่จะยึดจะคล้องใหยได้และต่อมาแม้กระทั่งพอรู้ว่า นอกใจแล้วนะเลิกลาจากเขาไปแล้วแต่พอเขาไปมีใหม่ก็ยังโกรธนะมันก็มีหลายคนหลายคู่ทีเดียวนะเลิกลาจากแฟนเก่าไปแล้วนะพอแฟนเก่าไม่ได้เรื่องหรือไม่อะไรก็แล้วแต่หรือไม่สวยไม่อะไรแต่พอเขาไปมีแฟนใหม่เนี่ยอโกรธมากเลยโกรธเพราะอะไรเพราะว่ามันไปกระทบอัตตา การที่เขาไปมีแฟนหมายแปลว่าแสดงว่าเขาไม่สนใจฉันแล้วฉันไม่สนใจเขาไม่เป็นไรแต่เขาสนใจฉันก็พอแล้วบางคนเราเป็นอย่างนี้นะที่แยกทางจากเขาเพราะคิดว่าฉันไม่สนใจคนแล้วเขาไม่มีค่าพอที่ทําให้ฉันสนใจแต่ว่าเขาต้องสนใจฉันนะเขาจะไปสนใจคนอื่นนะถ้าเขาสนใจคนอื่นฉันโกรธนะฉันเคืองนะบางคนเราก็แปลงนะ อันนี้มันเป็นเป็นเพราะอัตตาอีโกโ้แท้ทเลยที่ทำให้มนุษย์เรามีพฤติกรรมแปลกๆ แ, แบบนี้ฉันไม่สนใจเขานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาต้องสนใจฉันต่อไปไม่ว่าจะเลิกกันแล้วก็ตามเขาไปมีคนใหม่ไม่ได้นะอันนี้มันออกมาจากใจที่ต้องการจากกิเลสที่ต้องการความเป็นคนสำคัญในสายต่างผู้คนนรื่มันก็ไม่พอใจนะ เป็นคนสําคัญเป็นคนสําคัญของพ่อแม่เป็นคนสําคัญของเพื่อนก็ไม่พอใจต้องเป็นคนสําคัญของใครต่อใครมากกว่า น, นั้นเช่นแฟนเพลงแฟนคขับอยากจะมีแฟนเพลงแฟนขับมากๆโดยยายสุดเป็นซัมบอดี้เยอะๆมันก็เลยเพราะนั้นมก็เลยต้องเกิดมันก็ต้องแสวงหาการเกิดอยู่ร่ําไปนะแสวงหาการการเกิดอย่าปรารถนาการแจ้งเกิดอยู่เรื่อยๆเป็นดารานี่พอเริ่มตกแล้วนะก็ต้องแจ้งเกิดใหม่ ถ้าแจ้งเกิดด้วยฝีมือไม่ได้ก็แจ้งเกิดด้วยการแต่งกายให้มันว่าวิวออกงานให้มันเตะสายตาสือนน่อมวลชนถึงแม้สื่อมวลชนจะด่านะแต่ก็ถือว่าได้แจ้งเกิดแล้วที่เป็นข่าวสองสามวันสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วก็แบบนี้แหละแต่งตัวมันก็ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เสื้อเลยเลยเนี่ยโอ้ยคนก็ด่าครบเลยไอ้คนด่าก็อยากดูใช่นะแต่ดูไปมันก็ด่าไป เจ้าตัวก็ถูกด่าก็จริงแต่ว่าก็พอใจเพราะได้แจ้งเกิดแล้วก็แจ้งเกิดไปเรื่อยๆนะฮะทางแจ้งเกิดไปไปเรื่อยๆเพราะไม่พอใจการที่ไม่อยู่ในสายต่างผู้คนกว้างขวางในความคอันนี้ก็เลยพาคนเข้าสู่นะความวัฏจักรความทุกข์สุดท้ายพอตายจริงๆแนละ้วหมดลมเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่ เกิดแล้วเกิดอยู่ล่าไปแต่ถ้าเกิดว่ายุติการเกิดพบเกิดชาติตั้งแต่เดี๋ยวนี้คือเป็นเป็นโนบอดี้นะหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่มีการผลิไม่มีการเกิดถึงแล้วไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเกิดความตายที่มันมันลึกไปกว่าที่เราเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้ยอมรับเสียก่อนนะว่า ในความเกิดความตายในภาษาสามัญเป็นของคู่กันที่หนีไม่พ้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายต้องตายก็ก็เหลือแต่สรีละให้เขาเผาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นช่วยคนเราเขาพูดว่าเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลคนเรานี่ใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลถ้าคิดแบบนี้แล้วมก็ช่วยเจริญเราหนสติที่ทำให้เรา หันมาใส่ใจในธรรมแล้วก็ไม่ไม่ปรารถนาความยิ่งใหญ่หรือว่าเรียกร้องแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์พอใจในการที่จะเป็นคนเล็กๆหรือว่ามุ่งเที่เข้าสู่ภาวะที่เป็นโนบอดี้เลยเอาล่ะก็พูดกันเท่านี้กระคบ <c oughs>